สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่27ข้อที่1ถึงข้อที่6พระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อที่1ถึงข้อที่6โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งหนึ่งจะนำอะไรมาให้บ้าง จงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าแต่ไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่างถิ่นสรรเสริญไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้าเองหินก็หนักและทรายก็มีน้ำหนักแต่การยั่วเย้าของคนโง่ก็หนักยิ่งกว่าทั้งสองอย่างนั้นความพิโรธก็ดุร้ายความโกรธก็ท่วมทนแต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆ บาดแผลที่มิตธธรรมก็สุจริตแต่การจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพี่น้องครับพระวจนะทั้งหกข้อในเช้าวันนี้นั้นก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นครับประการแรกเริ่มต้นด้วยการที่ว่าเราจะต้องไม่คุยโอ้อวดถึงวันพรุ่งนี้เราจะต้องไม่คุยโอ้อวดถึงวันพรุ่งนี้เพราะเราไม่ทราบว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง ในวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพระคมพีสอนเราชัดเจนนะครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นคือความไม่แน่นอนในพระมยากรก็สอนเสริมเช่นเดียวกันครับยากอบทที่4ข้อ13ถึง16เชื่อว่าพระคำพีตอนนี้พี่น้องคงรู้จักดีนี่ไง ท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรแต่ว่าท่านไม่รู้ของเรื่องของพรุ่งนี้ชีวิตท่านเป็นเช่นใดเล่าท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปแทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทาสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น ตามความจริงท่านทั้งหลายโอ้อวดด้วยความทะนงตนการโอร้อวดทุกอย่างเช่นนี้เป็นความชั่วเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่กระทําคนนั้นจึงมีบาปพี่น้องครับพระคัมภีร์สอนว่าให้เราพูดว่าถ้าองค์พระพบุญเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทําสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นถ้าองค์พระพบุญเจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยู่และกระทําสิ่งนี้สิ่งนั้นแทนที่จะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะทําอย่างนี้ปีนหน้าฉันจะทําอย่างนั้นให้เราใช้คําพูดใหม่ครับถ้าองค์พระพิญญาทรงโปรโดเราจะมีชีวิตอยู่และกระทําสิ่งนี้สิ่งนั้นเพื่อที่เราจะไม่ตกอยู่ในการโอ้อวดทนองตนเพราะว่าเป็นความบาปครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าสอนเราครับว่า ความสัมพันธ์ที่เราพูดนะครับกับคนอื่นนั้นในข้อที่2พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการให้คนอื่นสรรเสริญอย่าสรรเสริญตัวเองให้คนที่ไม่รู้จักเราสรรเสริญยกย่องชมเชยเพราะว่าความรักที่เรามีต่อเขาสิ่งต่างๆที่เราทำเพื่อเขาเขาจะพูดถึงเราในแง่ที่ดี อย่ายกตัวเองครับไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นกรรมแค่ตัวที่ขุนคุน น, นะครับแล้วทำให้เรากโกรธพี่น้องครับเมื่อเราในข้อที่สี่บอกว่าเมื่อเรากโกรธแล้วมีอารมณ์รุนแรงนั้นเราอาจจะมีความเรียกว่าบังคับตัวเองไม่อยู่ครับมีความดุร้ายต่อผู้อื่นคำพูดและการกระทำก็ จ, จะทําให้คนอื่นนั้นได้กลัวนะครับ ยังไงก็ตามครับใครที่มีความริษยาอิจฉานั้นก็เร็วร้ายยิ่งกว่าคนเหล่านี้เพราะว่าอาจจะรวมเอาความโกรธอย่างรุนแรงและความแก้แค้นอย่างไร้ความปราณีไปด้วยพี่น้องครับเพื่อนผีบอกว่าใครจะยืนอยู่ต่อหน้าความริษยาได้อันนั้นเป็นสำนวนที่ถามจากพระกัมภีร์นะครับใครจะยืนอยู่ต่อหน้าความริษยาได้นั่นหมายความว่าคนที่ขี้อิจฉาขี้ริษยา นะครับก็เป็นคนที่เรียกว่ามากกว่าการความดุร้ายมากกว่าความกโกรธมากกว่าความพิโรธที่เรามีต่อกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในพระคริสต์หรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างนอกเราจะต้องหนึ่งไม่อิจฉาเขา 2. เราจะต้องระวังคนที่อิจฉาเราและในขณะเดียวกันครับประการที่3เราต้องระวังการยั่วยาวของคนโง่พี่น้องครับ อีกสข้อสุดท้ายครับข้อที่5ข้อที่6ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆ บ, บาดแผลที่มิตรทำก็สุดจริตแต่การจุบของศัตรตูนั้นมากเกินจริงพี่น้องครับถ้าความรักระหว่างกันเป็นความรักแท้เขาจะไม่กลัวที่จะบอกเพื่อนเขาเกี่ยวกับความผิดพลาดของเพื่อนหรือเตือนเพื่อนให้เพื่อนแก้ไขให้ถูกพี่น้องครับการตักเตือน นะการให้การดูแลเอาใจใส่การชี้ถูกชี้ผิดมีความสำคัญมากครับการตักเตือนนั้นพิงพีบอกว่าน่าจะดีกว่ารักกันลับๆแปลตรงตัวว่าปิดบังครับรักกันแบบปิดปิดบังๆรักกันแบบดูเหมือนไม่ได้รักกันนะครับเพราะฉะนั้นการตักเตือนคนอื่นครับที่ทำความผิดนั้นพี่น้องครับเป็นหลักฐานของความรัก การตักเตือนด้วยความรักก็เป็นหลักฐานของความรักแต่การไม่ตักเตือนแสดงว่าความรักนั้นถูกยกเลิกไปแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เพร่อพีสอนให้เรานะครับภาษาอังกฤษใช้คาว่า confrontation c o n f r o n t แปลว่าอะไรครับ c o n f r o n t แปลว่าการที่คนเรานั้นจะต้องเผชิญหน้ากัน การเผชิญหน้ากันไม่ใช่เป็นการทะเลาะวิวาทหรือเป็นการโกรธกันหรือขัดเคืองใจกันหรือโต้แย้งกันแต่ว่าการคอนฟลอนนั่นก็คือการที่เราเผชิญหน้ากันด้วยท่าทีแห่งความรักท่าทีแห่งการหาทางออกท่าทีแห่งการเคลียร์กันนะครับคําว่าเคลียร์กันในที่นี้มีความหมายว่าคลีไฟคลีไรไฟทำให้มันชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นสามารถที่จะ พูดคุยกันถ้าหากว่าบนพื้นฐานของความรักและยึดเอาความถูกต้องไว้ในข้อ6บอกว่าบาปแผลที่มิตรทําก็สุดจริตแต่การจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพี่น้องครับศัตรูนะครับแปลตรงตัวว่าผู้ที่เกลียดชังเรานะครับศัตรูอาจดูเหมือนว่าเป็นมิตรจากการจุบของเขานะครับอันนั้นคือคนหน้าซื่อใจคดครับรอยยิ้มนะครับข้างหน้า แต่ว่าข้างหลังนั้นก็มีมีดคอยอยู่ครับแต่ว่าพระมังพีบอกว่ามีดแท้มีดแท้มีดแท้การที่ทำให้เราบาดเจ็บนะครับอาจจะเป็นการบาดเจ็บภายในที่ถูกตำหนิติเตือนนะครับจากข้อที่ห้าแต่แท้จริงแล้วเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจของความเป็นมีดพระมังพีทั้ง2ข้อนี้เตือนให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่เตือนสติเรา นะครับเราต้องถือว่าเขาเป็นมิตรแท้ครับใครก็ตามที่เตือนเรา e, สอนเราเราต้องถือว่าเขาเป็นคนที่มีความหวังดีต่อเราคนจีนสอนว่าใครก็ตามที่เตือนเราสอนเราคน ículo, cultura, คนนั้นเป็นครูของเราพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่คอยแก้ไขมีเพื่อนที่คอยบอกเราเกี่ยวกับความผิดของเราความไม่ถูกต้องของเราคนคนนั้นครับคบได้ครับแต่เพื่อนที่ชมเชยเรา เฉลียเราหรือทําอะไรร้ายสิ่งหลยอย่างที่ไม่ได้ออกมาจากความจริงใจท่าทีที่จริงใจนั้นเราควรจะอยู่ห่างๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพี่นะครับอะไรที่คนชอบให้คนอื่นยกย่องชมเชยนะครับสิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่เป็นของปลอมครับเฟก ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะวางตัวอย่างถูกต้องในความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันไม่เพียงแต่ในครอบครัวครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าในสังคมเพื่อที่เราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาและจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรปลอมและในขณะเดียวกันครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้และควบคุมการแสดงออกของเราได้เพื่อที่ภาพ ลักษ์ของพระเจ้าจะปรากฏอยู่ในชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของพระเยซูจะเป็นชีวิตของเราอาเมน